เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อีจจะได้สร้างธรรมะให้ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจของเราเพื่อที่จะได้ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งของใจใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ยา ต้องพึ่งพาอาศัยหมออาศัยโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายฉันใดใจก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งวัดพึ่งวาเป็นที่รักษาโรคใจโรคใจเป็นโรคที่ไม่ชไม่สามารถที่จะใช้ ยาที่รักษาโรคทางกายมารักษาโรคทางใจได้โรคทางใจนี้ต้องใช้ยาคือธรรมโอสถคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีดับความทุกข์ของใจได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางใจชนิดใดก็ตามถ้า ไ, ได้ศึกษาได้ฝึกฝนอบรมได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีวิธีรักษาโรคทางใจได้ดับความทุกข์ทางใจได้ การเข้าฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการเรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์ทางใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติเพราะว่าธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายัางไม่ได้ปฏิบัต ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เข้าไปในใจของเราเมื่อธรรมะไม่ได้เข้าไปในใจธรรมะก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจของเราได้เหมือนกับยารักษาโรคของร่างกายจะเป็นยาที่วิเศษขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่เอาเข้าไปในร่างกาย เราก็จะไม่สามารถรักษาโรคของร่างกายได้เวลาที่หมอให้ยามาเราก็ต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งต้องเอายาเข้าไปในร่างกายเมื่อยาได้เข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะได้ไปรักษาโรคของร่างกายได้ทําให้โรคภัยไข้เจ็บของร่างกายที่เกิดขึ้นนั้นหายไปได้ อัในใดโรคของใจคือความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกันยารักษาโรคของใจคือธรรมโอสถคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปในใจเมื่อเราเอาเข้าไปในใจได้แล้วธรรมโอสถก็จะทำหน้าที่รักษาโรคของใจดับความทุกข์ของใจต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้การที่เรามาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการมารับยาธรรมโอสถ์จากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะสามารถเอาธรรมโอสถ์เอาอยารักษาโรคใจนี้เข้าไปสู่ในใจของเราเมื่อเราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะทยอยนำเอาธรรมโอสถ์นี้เข้าไปในใจของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ อ, อยาธรรมโอสถ์ได้เข้าไปในใจเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลาดับจนหายไปหมดถ้าเรามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีการรับประทานยาธรรมโอ์สอย่างต่อเนื่องอยายาเพิ่งหยุดถ้าตราบใดยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างถาวร การศึกษาการปฏิบัติโดยการรับยาและการรับประทานยาของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการกระทาอย่างต่อเนื่องทำไปจนกว่าทุกภายในใจหายหมดเลยเมื่อหายหมดแล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปรับยามารับประทานอีกต่อไป ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปดยงที่มีคํากล่าวของพระอรหันต์เวลาที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ท่านได้หลดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านจะกล่าวคําว่าว hm ุสตตังบรมจารียังกิจในพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้วภารกิจที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้ได้สิ้นสุดลงแล้วคือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาไม่จะมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าโรคภยยัยไข้เจ็บของใจคือความทุกข์ใจที่มีที่เคยมีใน ใ, นใจนี้ได้หายไปหมดแล้วก็เหมือนกับคนที่รักษาโรคภยยัยไข้ไข้เจ็บของร่างกายพอร่างกายหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการรักษาพยาบาลก็ยุติลง ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปหาหมอมไม่ต้องไปรับประทานยามไม่ต้องไปทำการรักษาด้วยวิธีการต่างๆเพราะว่ามไม่มีความเจ็บของร่างกายลงเหลืออยู่ในจอยู่ในร่างกายเลยก็<ม>ะสะแสดงว่าคนป่วยได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยารักษาโรค ก, ก็ไม่มีความ เวลาที่ท่านได้บรรลุไปมันก็เสียงผีมาหลอกนะถ้าอยู่คนเดียวบอกผีมาจากที่ไหนก็พอหายจากโรคแล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปรักษาตัว lim อีกต um ่อไปไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปรับประทานยารับยาจากหมอมารับประทานไม่ต้องไป ฉายแสงไปทําอะไรต่างๆ<ม>เพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บหายไปแล้ว<ม>การศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้น ม, มีจุดจบมีวันสิ้นสุดได้พระมุทธเจ้าพระหลานตสาโลกนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะแล้วถ้าไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้ว<ม><ม>เพราะว่าทุกขต่างๆที่มีที่เคยมีอยู่ในใจของท่านนั้น ได้หายไปหมดแล้วศึกษาไปปฏิบัติไปก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรไม่ได้ทำให้ความทุกข์ที่ไม่มีนั้นหายไปเพิ่ ม, มขึ้นเ พ, เพราะมันไม่มีจะหายแล้วหายไปหมดแล้ว อ, อย่างงานทางธรรมมีวันสิ้นสุดลงไม่เหมือนกับงานทางโลกงานหาลาบยศสารเสริญสุขนี่หาไปจนวันตายก็ก็ต้อง ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าความอยากมันไม่มีความสิ้นสุดอยากได้เงินได้ทองอยากได้ร้อยล้านพอได้ร้อยล้านก็อยากจะได้พันล้านอยากได้พันล้านแล้วพอได้พันล้านก็อยากจะได้หมือนล้านมันจะมีความอยากไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆงานทางโลกทั้งๆ ท, ที่เงินทองที่ได้มากก็เหลือกินเหลือใช้ ใช้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติก็ไม่มีวันหมดแต่ใจอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะอยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์มันเครียดขึ้นมามนใจมันต้องมีอะไรให้มันทำให้กิเลสมันชอบทำงานชอบได้สิ่งนั้นชอบได้สิ่งนี้ชอบมีสิ่งนั้นชอบมีสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆก็เลยต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการตอบถนอง ตามความอยากของกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆไปจนถึงวันตายหรือวันที่ไม่สามารถใช้น่างกายทำงานได้แล้วถึงจะหยุดคนที่มีอายุมากๆแล้วก็ต้องหยุดการทำงานลงไปแต่ไม่ได้หยุดด้วยด้วยความยินยอมด้วยความยินดีแต่หยุดด้วยเพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะทางานต่างๆได้อีกแล้ว แต่ก็ความอยากที่จะทำอะไรยังอยากมีอยากเป็นก็ยังยืนมีอยู่ในใจอยู่พอร่างกายที่มีอยู่ในวันนี้ได้ตายไปในสิ้นสุดลงความอยากของใจที่อยากจะได้ลาบยศสารเสริญสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็จะเป็นตัวที่จะมาตักดันให้ใจไปเกิดใหม่อีกตายแล้วร่างกายอันนี้ตายไปแล้ว ความอยากที่จะหาลาภยศรเสริญสุขก็จะพาให้ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาลาภยศรเสริญสุขต่อไปเมื่อมีการเกิดก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ทุกที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกที่เกิดจากความตายทุกที่เกิดจากการพัดพรากจากกันอันนี้จะต้องเจอทุกครั้งที่มาเกิดดังนั้นการหาราภยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของการดับความทุกข์ของใจแต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ของใจให้มีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อย ตายจากภพนี้ชาตินี้ก็ไปเกิดชาติใหม่แล้วก็ไปเจอกับทุกันใหม่ถ้าตราบใดไม่ไดมาศึกษาวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องของใจว่าจะต้องดับอย่างไรถ้าได้มีโอกาสได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนเป็นผู้บอก ก็จะได้เรียนรู้วิธีดับความทุกข์ทางใจที่ถูกต้องและสามารถดับได้อย่างถาวรทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีก mm hmm. ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอาหารหันตสาวกก็ดีนี่ท่านได้มีความอยากได้อะไรแล้วตอบมันเอาอีกแล้วในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบ ย, ยสะะศสารเสริญ ความสุขทางตาของจะหมุนลิ้นกายแม้แต่ความสุขของสมาธิของรูปปรจจานหรือรูปประชา น, ปปชานท่านก็ตัดไปได้หมดเพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงไปสั่งมันไม่ให้มันดับได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องดับไปมันก็ต้องหมดไปพอมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปพอความสุขหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจ สังเกตดูวเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักคนที่เคยให้ความสุขกับเรา<ม>พอเขาจากเราไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้กัน<ม>แต่พระพุทธเจ้าพระอานัรย์สถาโลกนี้ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ในตจพบนี้ในการมาพบในรู ป, ปรพบในอารมณ์ปปพบ<ม>เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น<ม>ความสุขของการมาพบก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ<ม>่นรสพทธะนีก็เป็นของไม่เที่ยง ม, มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไป ม, มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเวลาเวลามันดับเวลาที่มันเสื่อมก็จะทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ<ม>เกิดความทุกข์ใจ หรือแต่หรือแม้แต่เวลาที่มันยังไม่ดับยังไม่ยังไม่เสื่อมแต่มันเริ่มแสดงอาการมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาแล้วเช่นเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทั้งทั้งที่ยังไม่ตายเนี่ยใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์ว่ามันจะหายรักษาหายหรือไม่หายจะอยู่หรือจะตายเนี่ย ทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์คือความตายยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ความทุกข์ของใจนี้มันเกิดขึ้นแล้วเพราะความอยากของใจความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆานให้ทาหน้าที่รับใช้ตันหาความอยากของใจเพราะถ้าร่างกายเสื่อมร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไป ใจก็จะไม่มีผู้มารับใช้มาตอบสนองตัญหาความอยากของใจใจก็จะเครียดขึ้นมาใจก็จะเศร้าขึ้นมาเพราะใจต้องอยู่ด้วยการทอะไรตามความอยากต่างๆพอเวลาได้ทําตามความอยากแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวแต่พอเวลาใดที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่สามารถ ทำ ต, ตามความอยากได้เวลานั้นใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมา mm hmm. นี่คือโลกของใจที่พวกเราทุกคนมีด้วยกันทุกคนอาจจะยังไม่มีตอนนี้ก็ได้อาจจะมีบ้างแล้วก็ได้มีมากมีน้อย mm hmm. แต่ใจของเราทุกคนนี้มันไม่ได้สุขไปตลอดเวลามันสุขมันสุขเป็นพักๆเป็นช่วงๆ เวลาใดที่มันสามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้และได้สิ่งที่อยากได้มามันก็จะมีความสุขไปชั่วระยะหนึ่งพอเวลาใดไม่สามารถได้ในสิ่งที่อยากได้ทำในสิ่งที่อยากทำเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆชีวิตของของใจของคนเรานี้ก็จะ สลับผัดปลี่ยนไประหว่างความทุกข์ใจกับความสุขใจถ้ายังไม่ได้รับการศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ได้นาเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติชีวิตก็จะคลุกเคล้าไปกับระหว่างความสุขและความทุกข์ไปเรื่อยๆสุขบ้างทุกข์บ้างสุขเล็กน้อยทุกข์เล็กน้อยบ้าง สุขมากทุกมากบ้างแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดสุขและทุกนั้นชีวิตก็จะวนเวียนไปสลับกันไปกับระหว่างความสุขและความทุก<ม>เวลาเกิดความสุขก็ไม่มีปัญหาอะไร<ม>แต่พอเวลาเกิดความทุกเนี่ยมันเป็นความเป็นสิ่งที่ทุกทรมานใจอย่างยิ่งที่บางคนถึงกับทนไม่ไหว ไม่สามารถทนอยู่กับความทุกข์ได้ mm hmm. ก็คิดฆ่าตัวตายกันก็มี mm hmm. นั่นแแสดงถึงความความรุนแรงของความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ใจว่าดับได้อย่างไร mm hmm. ก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเป็นการดับความทุกข์ทางใจ แต่การไปค่าร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นการไปดับความทุกข์ทางใจแต่อยา่างใดเพราะทุกข์ทางใจไม่ได้เกิดจากการตายของเกิดจากการอยู่ของร่างกายหรือเกิดจากการตายของร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเหตุของความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากของใจเองที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยาก <S S S เกิดความเสียใจอย่างรุนแรงถึงกับไม่มีความ ไม่มีสติสตางไม่มีสติปัญญาที่จะคิดค้ายกวนให้ให้เห็นเหตุเห็นผลของความทุกข์ทางใจก็เลยคิดที่จะหนีความทุกข์ทางใจนี้ไปด้วยการฆ่าตัวตายฆ่านั่งกายนี้ไม่ได้เป็นการไประ ง, งับความทุกข์ทางใจแต่อย่างใดเพราะเหตุที่ทําให้ใจทุกข์มันก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ถ้าร่างกายก็เพียงแต่ถัดวันเลื่อนของเลื่อนวันของความทุกข์ออกไปชั่วคราวพอไปเกิดใหม่พอไปเจอความทุกข์แบบเดิมอีกก็ไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ก็จะคิฆ่าตัวตาย <Yeah. S 1> ท่านพูดไว้ว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วนี่ต่อไปก็จะต้องไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติห้าร้อยครั้ง เพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยไปเวลาเกิดความทุกข์ทางใจแล้วไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจได้อย่างไรก็จะคิดว่า ว, วิธีดับความทุกข์ทางใจก็คือการฆ่าตัวตาย mm. แต่มันไม่ได้ตายความทุกข์ทางใจยังอยู่เพราะเหตุที่ทําให้ความทุกข์ทางใจที่เกิดนั้นมันยังมีอยู่มันอยู่มันติดไปกับใจ ฆ่ตัวตายก็เพียงแต่แยกใจออกจากร่างกายอันนี้เท่านั้นเองแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ที่อาจจะไม่เป็นปัญหาเช่นร่างกายปัจจุบันนี้มันเป็นปัญหาเป็นโครคภัยไข้เจ็บรุมแล้วสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าฆ่าตัวตายดีกว่าความทุกข์มันจะได้หมดไปเพราะคิดว่าความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่โครคภัยไข้เจ็บของร่างกาย แต่โครคภัยไข้เจ็บของร่างกายนี้มันเป็นเพียงเป็นเหมือนตัวมากระตุ้นให้เกิดความทุกข์ทางใจเนทะ่านั้นตัวความตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ทางใจก็คือตัวความอยากอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายมีกําลังวังชามีสุขภาพที่ดีที่สามารถทําอะไรต่างๆที่จะอยากจะทําได้เท่านั้นเอง แต่พอร่างกายไม่สามารถทำตอบสนองความอยากของใจได้ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาหลงคิดว่าวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ของใจหายไปก็คือฆ่าตัวตายกันฆ่าร่างกายฆ่าผิดคนผู้ที่ทำผู้ที่ทาผิดผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ร่างกาย คนที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือตัณหาความอยากต่างๆ ม, มาหยุดตัณหาความอยากกัน<ม>ถ้าเรามาศึกษาวิธีหยุดความอยากกันแล้วเรามาปฏิบัติกันฝึกฝนอบรมกันไป<ม>ต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เวลาเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมวิธี ดับความอยากด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอน mm hmm. เวลาที่เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา mm hmm. เราจะไม่รู้วิธีกำจัดมันว่ากำจัดอย่างไร mm hmm. ก็ต้องปล่อยให้มันหมดแรง mm hmm. หมดกำลังไปเอง mm hmm. ความใจของเราจึงมีการเจอกับความทุกข์สลับ mm hmm. กับความสุขไป mm hmm. ตามกำลังของตันหาความอยาก เวลาเกิดความอยากแล้วไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพอความอยากนั้นมันอ่อนกำลังลงลมันหยุดความทุกข์ทรมานใจที่เกิดขึ้นก็จะหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาใหม่ชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นแบบนี้ จะเจอกับความทุกข์ใจเก็จเจอกับการเกิดดับของความทุกข์ใจไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะลังช่วงบางเวลาความทุกข์ใจอาจจะอยู่ห่างไกลเพราะสามารถทำอะไรตามความอยากได้อยากได้อะไรก็ได้มาก็ได้พอได้อะไรตามความอยากมันก็เกิดความสุขใจเกิดความดีใจขึ้นมาแนานๆก็อาจจะไปเจอกับหินไปเจอกับตอ ไปเจอกับอุปสรรคที่จะทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้ตามความอยากอยากแล้วไม่ได้ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้บ่อยๆเข้าก็จะเกิดการสึ่นเศร้าหรือไปหยากในสิ่งที่ที่มันห้ามมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ ถ้าเวลาไปเจอความแก่แล้วอยากให้มันไม่แก่นี่มันอยากไปจนวันตายมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายได้ว่ามันต้องแก่ถ้าอยากก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าไปเจอโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยากจะให้มันหายอยากจะให้มันมันไม่เป็นพอไปเจอโรคที่มันจะต้องเป็นของมันไปเรื่อยๆมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วถ้าไปเจอความตาย แล้วไม่อยากตายเนียมันจะมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอกันทุกคนเกี่ยวกับร่างกายของพวกเราเนี่ร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไปเป็นธรรมดา ร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ร่วงพ้นจากการพัดภาคจากกันไปไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาศึกษากันศึกษาสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าเราจะต้องเจอข้อสอบเหล่านี้เราจะต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้แต่ถ้าเรามีธรรมะคาสอนเราจะรู้จักวิธี ที่จะทำให้ใจเราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทุกข์กับความตายไม่ต้องทุกข์กับการพัดพากจากกันได้<ม>ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา<ม>การปฏิบัติจิตตภาวนาโดยมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปเ ป, นน<ม>เป็นผู้สนับสนุน<ม>การจะภาวนาได้ผลดี การที่จะสร้างวิธีการที่จะใช้เครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ของใจนี้ได้ดีจำเป็นที่จะต้องมีศีลศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปเป็นผู้มาให้การสนับสนุนเพราะศีลแปดนี้จะกำจัดสิ่งที่กิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้มาช่วยในการเจริญจิตตภาวนาแต่อย่างใดแต่กลับมา มาขวางการเจริญจิตธภาวนาคือการเสบรูปเสียงกลิ่นรดเสบกามด้วยโดยการมาฉันทะโดยความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆถ้าถ้าไม่ถือศีลแปดเช่นถ้าถือศีลห้าในศีลห้าก็ยังไม่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรดอยากจะร่วมหลับนอนอยากจะร่วมเพศก็ยังร่วมเพศได้อยู่เพียงแต่ว่าให้มันไม่ประพฤติไม่ให้มันผิดประเพณี ให้ร่วมเพศกับคู่ครองของตนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาไม่มีเรื่องของความวุ่นวายใจเรื่องของความทุกข์ใจตามมายังเสพกามได้อยู่ยังอยากอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ยังดูได้อยู่อยากจะกินอาหารวันลกีครั้งกี่มื้อก็ยังกินได้อยู่อยากจะนอนมุดฟูกหนาๆเพียงที่สุขที่สบายก็ยังสามารถทำได้อยู่อยากจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ อยากจะดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงทำะไรดังกิจกรรมทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ยังสามารถทำได้อยู่ mm. ถ้าปล่อยให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ mm. ก็จะไม่มีเวลาให้ไปกับการมาเจริญจิตตภาวนา mm. มาสร้างเครื่องมือจิตตภาวนานี้คือเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจเราได้ mm. แต่การที่เราจะใช้เครื่องมือนี้ได้เราต้องมีเวลาสร้างมันขึ้นมาก่อนเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องมีเวลาให้กับการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ต้นไม้มันก็จะไม่โตขึ้นมามันก็จะไม่ออกดอกออกผลอนันใดการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องใช้เวลาในการสร้างมันขึ้นมามไม่ใช่อยู่ดีๆพอนึกอยากจะได้จิตตภาวนาก็จะได้เลย นึกอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งได้เลยนึกอยากจะใช้ปัญญามาระงับตันหาความอยากก็ใช้ได้เลยมันยังเป็นสิ่งที่ยังทำไม่ได้อยู่เพราะใจไม่มีกำลังที่จะทำใจให้สงบได้ไม่มีกำลังที่จะสอนใจให้ปล่อยวางความอยากต่างๆได้นั่นเองต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆถึงจะค่อยๆมีกำลัง มีความรู้ความฉลาดเพิ่มขึ้นไปททละเล็กเท่าน้อย mm hmm. ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลแล้วแต่ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลถ้าขยันมากมีความฉลาดมาก mm hmm. ก็จะเรียนรู้ได้เร็วจะปฏิบัติได้เร็วจะได้ผลเร็ว mm hmm. ถ้ามีความเพียรน้อย mm hmm. มีความฉลาดน้อยก็จะปฏิบัติได้ช้า mm hmm. บรรลุผลได้ช้ากว่า แต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาสร้างสติขึ้นมาทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดอุเบกขาเพื่อให้ใจรู้จักวางเฉยผู้ที่ยังไม่ได้เจริญสติไม่ได้เข้าสมาธิได้นี้จะไม่รู้จักวิธีวางเฉยปล่อยวางว่าทำอย่างไร mm. เวลาสัมผัสไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสรูปแบบใดก็จะเกิดปฏิกิริยาทันที ไม่รักก็ชังไม่กลัว ก, ก็หลงต้องอย่นี้ไม่ยินดีก็ยินร้ายเช่น ใ, ใ, ใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็โกรธขึ้นมา ใ, ใครพูดอะไรถูกใจก็ดีใจสุขใจขึ้นมาแล้วก็ไปทาให้ต้องไปทำอะไรต่างๆต่อไปเกิดตัญหาความอยากพอเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีก ต้องฝึกจิตใจไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อสภาวธรรมทั้งหลายที่มากระทบกับใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโกรธตาพระชนิดใดก็ตามจะเป็นแบบสุขหรือแบบทุกข์ก็ดีหรือแบบไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีต้องรู้จักวางใจให้เฉยๆถ้าวางใจให้เฉยๆได้ใจก็ไม่ต้องทาอะไรใจก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้กับใจ แต่ถ้าว่าวางใจเฉยๆไม่ได้พอสัมผัสกับสุขก็อยากจะได้ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากพออยากแล้วไม่ได้นั่งใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือไปสัมผัสกับความทุกข์แล้วก็เกิดจากเกิดความอยากให้ความทุกข์นั้นหายไปพอความทุกข์นั้นไม่หายไปความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาอีกนี่คือการปฏิบัติวิธีที่เราจะทําให้เราสามารถหยุดความอยากต่างๆ ป้องกันไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาในใจเวลาที่ใจของเราไปไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลภภิ่นรสผดทพะและอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาสู่ใจของเราอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มสัมผัส ร, บรับรู้กับรูปเสียงกลภภิ่นรสผดทพะรับรู้กับธรรมอารมณ์อยู่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะที่ให้ความสุข บางทีก็ไปเจอกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ให้ความทุกข์บางทีก็ไปเจอกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ไม่ได้ให้ความสุขและไม่ให้ความทุกข์ถ้าใจเราไม่มีอุเบกขานี้ใจเราจะเกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาเจอความสุขก็อยากจะได้เจอความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเจอความไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเพราะอยากจะได้ความสุขมากกว่า ใช่เวลาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์แต่รู้สึกเหงารู้สึกเบื่อก็อยากจะให้ความเหงาความเบื่อความจำเจนี้มันหายไปก็เกิดความอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นอยากจะมานี่อยากจะทำนู่นทำนี่แล้วพอไม่ได้ทำตามความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกนี่แหละคือเรื่องของความความทุกข์ทางใจของพวกเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากท่านั้นเอง ถ้าจะเปรียบเทียบกับโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายก็เป็นเหมือนกับเชื้อโรคร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งก็เกิดจากเชื้อโรคติดเชื้อต่างๆมาติดเชื้อหวัดก็เป็นอาการหวัดเกิดขึ้นมาติดเชื้อโควิดก็เกิดเป็นโควิดขึ้นมาเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดความทุกข์ทางกายขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันทุกข์ทางกายเราก็ต้องหาวิธีกําจัดมันให้ได้ฉันใดโรคทางใจก็แบบเดียวกัน โรคทางใจก็เกิดจากเชื้อโรคของใจก็คือตัณหาความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้สามสามจำพวกด้วยกันจําพวกที่หนึ่งก็คือกามตัณหาความอยากเสพกามะคุณห้ากามะแปลว่ากามกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆ mm hmm. อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขกับเราอยากให้ความ ้อยากให้รูปเสียงกิวโนที่ให้ความทุกข์กับเราหายไปมันก็ทำให้ใจต้องดิ่นลนไปไปทำตามความอยากแล้วพอทำตามความอยากไม่ได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็มีความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากมีอยากจะมีแต่ความสุขแต่เราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างสลับกันไป อยากจะมีความสุขอย่างเดียวพอมันไม่สุขก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะอยากให้มันสุขแล้วก็ความอยากชนิดที่สามก็คืออยากไม่ให้มันทุกข์ไม่อยากอยากไม่เจอกับความทุกข์แต่เราก็หนีพ้นไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีที่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้ได้ บางทีเราก็ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่ที่ดีแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาบางทีเราก็ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ที่ไม่ดี <uen> ก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา <Okay. S 1> แต่ถ้าเรามาฝึกจิตทําจิตให้ว่างให้เย็นให้สบายให้เป็นอุเบกขาใจเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเวลาที่เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ชนิดต่างๆว่ามันเป็น เรื่องที่มันเราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศบางทีก็ฝนตกบางทีก็แดดออกบางทีก็น้ำท่วมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บางอย่างเราก็อยากได้บางอย่างเราก็ไม่อยากได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งมันได้อันนี้คือปัญหาของพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้มาเกิดแล้วเรา ใบมีตันหากับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้แล้วพอเกิดตันหาขึ้นมาแล้วไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้ใจเราทุกข์นี้เราต้องมาฝึกใจให้เฉยๆไว้ให้ให้ให้มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะนิ่งจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ ใครด่าก็ไม่ตอบโต้เฉยๆฝ่อยก็าด่าไปใครชมก็ไม่ดีออกดีใจฝ่อยก็าชมไปฝ่ายเขาพูดไปใครให้อะไรมาก็ไม่ดีใจใครขโมย อ, อะไรไปก็ไม่เสียใจต้องเพราะว่าใจมีอุเบกขาวางเฉยได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกฝนอบรมกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอกัน ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปทุกวันทุกเวลาบางวันก็สุขทุกน้อยหน่อยบางวันก็สุขทุกบ้างหน่อยแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ปรากฏการของสิ่งที่ปรากฏขึ้นว่ามันรุนแรงหรือไม่รุนแรงถ้ามันไม่รุนแรงสุขทุกข์มันก็เบาหน่อยถ้ามันรุนแรงสุขทุกข์ก็มันก็หนักหน่อย แต่เราสามารถป้องกันใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้เนี่ยเราต้องแยกว่าสุขทุกข์กับที่มากับเหตุการณ์ต่างๆกับสุขทุกข์ของใจนี้คนละคนละอย่างกันสุขทุกข์ของเหตุการณ์ต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นสุขทุกข์ที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ไปสั่งได้ว่าจะเอาสุขอย่างเดียวนะจะให้มีแต่รูปเสียงกยลิ่นรสปวดสะพที่ให้ความสุขกับเราอย่างเดียว เราไม่สามารถกําหนดได้เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งธรรมชาติให้ฝนตกได้ให้ฝนไม่ตกได้เมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้ฝนตกมันก็ตกขึ้นมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้ฝนไม่ตกมันก็ไม่ตกเราไม่สามารถไปสั่งได้เรื่องของความสุขความทุกข์ที่มากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันเป็นเรื่องที่มันแปรปวนไปเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ภายใต้กฎของตายรักคืออ น, นิจจงทุกขังอนัตตาอ น, นิจจงก็คือมันเปลี่ยนไปจากสุขเป็นทุกข์บ้างจากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างจากไม่สุขไม่ทุกข์กลับมาทุกข์บ้างมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่นิ่งมันไม่ใช่จะสุขอย่างเดียวแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้อนาตาตาแปลว่าเราสั่งธรรมชาติไม่ได้ ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานี้มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งนั้น <c oughs> ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรา <c oughs> แล้วพอมันไม่เป็นไปตามความอยากใจของเราก็จะทุกข์ใจของเราก็จะเศร้าขึ้นมาทันที <c oughs> แต่เราก็อดไม่ได้ถ้าเราได้ไม่เรายังไม่ได้มาศึกษาวิธีจเจริญจิตตภาวนาจเจริญวิธีที่จะควบคุมใจของเราให้นิ่งให้เฉยให้เป็นอุเบขานี่ ใจของเราจะมีปฏิจยากับความสุขความทุกข์ทันทีเวลาที่ใจเราไปสัมผัสขึ้นเราก็จะมีปฏิจยาด้วยความอยากพอสุขก็อยากจะได้อยากให้ให้มันอยู่ไปนานๆพอทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากใจก็เศร้าใจก็ทุกข์ขึ้นมา<ๆ>แต่ถ้าเราเฉยๆ เวลาแจกสุขเราก็ไม่ดีใจไม่อยากได้ให้ไม่ไม่มีความอยากให้มันอยู่ไปนานๆเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่กับความความเฉยนี่ความเฉยนี่เป็นความรู้สึกที่เบาสบายใจไม่หนักอกหนักใจ<ม>เวลาเห็นอะไรได้สัมผัสกับอะไรที่เป็นสุขก็เฉยเฉยเวลาที่ได้สัมผัสกับอะไรที่เป็นทุกข์ก็เฉยเฉยไปไม่เกิดความอยากขึ้นมาเพราะถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ตอนนั้นแหละ จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพียงแต่ยังไม่ทันได้เลยเพียงแต่อยากได้ใจก็ไม่สงบแล้วใจก็ไม่นิ่งแะ้วพออยากจะได้อะไรนี้ใจก็กวลกวายนะเช่นคนอยากจะถูกหวยนี่พอถึงวันหวยออกนี่หวยยังไม่ทันออกเลยใจก็กังวลกวายแล้วนะใจอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้พออยากจะอยากจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ขึ้นมาทันทีน แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาอยู่เรื่อยๆเราจะสามารถควบคุมใจของเราให้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ mm. ใจเราจะไม่ทุกข์ไม่สุขกับอะไร mm. แต่ะไแต่ใจเราจะมีอุเบกขาที่เป็นความสงบของใจที่เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขจากการที่เราทําใจให้นิ่งเฉยให้สงบ mm. อันนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้มาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการได้อะไรตามใจอยากเวลาเราได้อะไรตามความอยากเราก็มีความสุขขึ้นมาเช่นอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพอได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็มีความสุขดีออกดีใจไปชั่วระยะหนึ่งแ้่เดี๋ยวความสุขนั้นก็จางหายไป แต่ความสุขใจที่เกิดจากความสงบนี้มันจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆตราบใดที่เราสามารถรักษาความสงบของใจให้สงบไปได้เรื่อยๆนั่นเป็นความสุขที่นิ่มนวลกว่าเป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมบังคับได้แต่ความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขตามความอยากนี่เราควบคุมไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้แล้วก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา อันนี้แหละคือเรื่องของความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ที่ตัวปัญหาตัวเดียวนี้ก็คือความอยากปัญหาความอยากและที่ไปอยากก็เพราะไม่เข้าใจของของของธรรมชาติที่เราไปอยากว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งที่เราเห็นว่ามันของจะให้ความสุขกับเรานี่มันให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะหมดความสามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้ พอมไม่สามารถให้ความสุ ข, ขเราได้ใจเราก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องมาแก้ตัวนี้คือแก้ตัวความอยากกําจัดความอยากให้มันหมดไปอย่าไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดยาไปอยากเอาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดเพราะว่าอยากได้เท่าไหร่มันก็ไม่จะไม่ได้ดังใจอยากตลอดไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ เวลาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจแทนที่เราจะไปอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสลราไปอยากกับความสงบจะดีกว่าเพราะถ้าเราได้ความสงบแล้วนี่เราสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่แน่นอนที่ไม่ยั่งยืนที่ไม่ถาวรแต่เราสามารถหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบให้นิ่งให้เฉยให้เป็นอุบเบกขาให้ได้ พอมันนิงมันเฉยมันเป็นอุเบกขาแล้วมันจะมีความสุขในตัวของมันเองมันไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้แหละคือวิธีแก้ปัญหาคือเราต้องมาฝึกจิตอภาวนาจิจอาภาวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะมาระงับความอยากให้มันหมดไปจากใจซึ่งก็แบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนา สามัตถ์ภาวานาก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาด้วยการเจริญสติต้องมีสติถึงจะทำใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายจิตก็ไม่นิ่งจิตก็ไม่สงบจิตก็จะไม่เป็นอุเบกขาขึ้นมาจิตก็จะไม่มีความสุขจากการภาวานาจากการนั่งสมาธิเมื่อไม่มีความสุขก็ต้องกลับไปหาความสุขแบบเดิม กลับไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลสะพา้ากลับไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขแต่ก็หาได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะต่อไปร่างกายมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีพอถึงเวลาที่ร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ก็ไม่รู้จะไปหาความสุขที่ไหนแนละ้วความสุขทางความอยากก็ ทางการมาตัญหาความอยากเสษการามก็ไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายมันไม่มีกำลังวังชาไม่มีสมรรถภาพจะไปหาความสุขทางใจก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่เราไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังนั่งสมาธิครั้งสองครั้งแล้วนั่งโดยที่ไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องมีอะไรนั่งไปตามตามความรู้สึกนิดเขาบอกให้นั่งก็นั่งไปนั่งแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไร นั่งไปสักพักก็เกิดอาการอึดอัดเกิดอาการฟ<ๆ>ุ้งซ่านขึ้นมาก็เลอกนั่งไปเพไม่รู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้อง<ม>วิธีนั่งที่ถูกต้องนั่งสมาธิี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยกากับใจคอยห้ามใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆถ้ายังปล่อยให้ใจคิดอยู่ใจก็จะเน่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุบเบกขาขึ้นมาไม่ได้<ม>ต้องมีสติคอยควบคุมจนความคิดนั้นมันหยุดไป เอความคิดหยุดไปนั่นแหละเวลานั้นจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วอุเบกขาและความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผล่ขึ้นมา อ, อ, อันนี้ต้องต้องเกิดจากการศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่ได้สัมผัสกับสมาธิแล้วกับผู้ที่ได้สัมผัสกับอุเบกขาแล้วกับผู้ที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เขาจะรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องผู้ที่ได้สัมผัสความสุขของความสงบนี้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลายพระอริยสงสาวกทุกรูปนี่ต้องผ่านการเข้าฌานมาก่อนเท่านั้นก่อนที่จะไปขั้นวิปัสสนาก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้นี่ต้องผ่านความสงบขั้นของสติไปก่อน เมื่อมีความสงบของขั้นสติแล้วถึงจะไปขั้นขั้นความสงบของปัญญาต่อไปได้อ น, นี้ก็คือเครื่องมือถ้าเราอยากที่จะรักษาใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องสร้างเครื่องมือก็คือสร้างจิตตภาวนาขึ้นมาเราต้องถือว่างานจิตตภาวนาอันนี้เป็นเหมือนกับงานที่เราต้องทำเหมือนกับเวลาที่เราไปทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เราต้องไปทํางานอาทิตย์ละห้าวันเราต้องไปทํางานตั้งแต่เช้าแปดโมงถึงห้าโมงเย็ยนแล้วเราพอสิ้นเดือนเราก็จะได้รับเงินเดือนเมื่อเราได้รับเงินเดือนเราก็จะได้เอาเงินเดือนนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราต่อไปทั้งนี้เราก็ต้องมองวิธีปฏิบัติจิตภาวนาว่าเป็นเหมือนงานประจําที่เราต้องทำํำถ้าเราอยากจะได้เงินเดือนที่ดีได้ผลที่ดีได้บรรลุมรรคผลผนิพพาน เราก็ต้องทำเป็นเต็มรูปแบบเต็มเหมือนกับเวลาที่เราทำงานให้กับร่างกายก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีการการใช้ชีวิตของเราเราต้องเอาเวลาของชีวิตของเรามาให้กับการเจริญจิตตภาวนาให้อย่างเต็มที่คือเราต้องมาอยู่แบบนักบวชมาปฏิบัติแบบนักบวชไม่มีอาชีพที่ต้องไม่มีอาชีพอื่นที่จะต้องทาอีกต่อไป ทำแต่อาชีพนี้อาชีพเดียวคือคันธัตุระวิปั ส, สนาธุระศึกษาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าคันธัตุระวิปั ส, สนาธุระก็คือนำเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้มันปรากฏแจ้งขึ้นมาให้มันปรากฏขึ้นมาในใจให้เกิดวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาให้เกิดปัญญาเห็นอริยศาสเห็นใจรักขึ้นมาให้เกิดสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา มันต้องเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการศึกษาจากการเรียนรู้วันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวหลายอย่างด้วยกันได้ยินเรื่องอุเบกขาบ้างเรื่องราวของความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบบ้างได้ยินเรื่องราวของปัญญาแต่สิ่งเหล่านี้มันยังไม่ได้เป็นความจริงในใจของเรามันเป็นเพียงแต่ความรู้ที่เรายัางต้องเอามาเอามาสร้างให้มันเป็น ของจริงขึ้นมาในใจของเราวิธีที่จะสร้างความรู้เหล่านี้หรือผลผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติเหล่านี้ก็ต้องมาทำการปฏิบัติปฏิบัติจิตตภาวนาและการจะปฏิบัติจิตตภาวนาได้เต็มที่โดยที่ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นมามามาแทรกแซงเราก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปพอเราถือศีลแปดแล้วกิจกรรมทางกา ร, รนี้จะไม่สามารถเข้ามา มาย่างเอาเวลาของการปฏิบัติเราไปได้เราอยากจะร่วมเพศกับใครก็ร่วมไม่ได้ถ้าเราถ้าเราปฏิบัติถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะได้เอาเวลาที่เราไปนอนหลับนอนกับผู้อื่นนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองแล้วเราก็ไม่กินอาหารมากเกินไปไม่กินตามความอยากกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่ไปวันวันหนึ่งให้ดับความหิวไ ป, ไปก็พอไม่ได้ให้หาความสุขจากการกินแต่อย่างใดต้อง <Yeah. S 2> ก, กินแค่เที่ยงวันเป็นอย่างมากหลังจากเที่ยงวันจะได้มีเวลาว่างจากเรื่องกิน <Yeah. S 2> เราก็จะได้ เ, เวลาที่จะไปกินนี้มาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิ <Yeah. S 2> แล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขจาก <Yeah. S 2> พวกบันเทิงต่างๆ yeah. น้องนาทําเพลงดูหนังฟังเพลงหรืออะไรต่างๆไปงานน้องงานเลี้ยงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรด้วยการด้วยการเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องยกเว้นไปให้หมดไม่ทํากิจกรรมเหล่านี้เพื่อจะได้เอาเวลาที่จะใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการเจริญจิตตภาวนา mm. มา mm. ขั้นต้นก็จเจริญสมถภาวนา แล้วให้ไปวิปัสสนาภาวนาแล้วเราก็จะนอนไม่มากเจ็ดแปดนี้จะสอนให้เราไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีจะทําให้เราไม่นอนมากก็คืออย่าไปนอนบนฟูกนหนาะอย่าไปนอนบนฟูกที่มันสบายเพราะว่าถ้ามันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันมีความสุขจากการนอ น, นก็จะนอนต่อไปอีกสองสามชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ มันก็จะทําให้สูญเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะเอามาให้กับการปฏิบัติไปนั่นเอง น, นี่คือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปทํากิจกรรมทางการอารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นลดผลท พ, าพาะเพื่พอที่เราจะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่พอที่เราจะได้ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน ถ้าอยากจะปฏิบัติได้ผลนี่พระเจ้าบอกว่าต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นองสิ่งที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็คือการเจริญสติซึ่งเป็นหัวใจของการภาวนาเป็นกุญแจสาคัญของการทำจิตใจให้สงบถ้าเราไม่มีสติแล้วต่อให้เรานั่งสมาธิไปจนวันตายจิตก็จะไม่รวมเป็นหนึ่งจิตก็จะไม่สงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ แล้วถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปคิดทางปัญญาได้ทางทางอริยสัจ ส, สี่ทางไตรลักษได้ทางอสุภะได้เพราะใจจะถูกกิเลสดึงให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกันให้ไปคิดถึงสุ ข, ขังนิจจังสุ ข, ขังอัตตาให้ไปคิดถึงแต่ของสวยๆงามๆของที่น่าดูน่าชมพอเกิดไปไปไ ป, ไปตามตามกิเลสแล้วมันก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมา เป็นขบวนแล้วก็จะนําไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจในที่สุดเมื่อไม่สามารถตอบสนองต้าหาความอยากของตนเองได้ก็อาจจะนาไปสู่การฆ่าตัวตายได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกสติสตินี้จึงเป็นกุญแจสำคัญดอกแรกในการเป็นเครื่องมือที่จะสามารถมาควบคุมจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดท่านเปรียบเทียบรอยเท้าช้างเหมือนสติเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่ารอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ชนิดทุกชนิดได้หมดเพราะใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ชนิดต่างๆฉะนั้นสตินี้พระเจ้าทรงบอกว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาคัญกว่า สมาธิสำคัญกว่าปัญญา เ, ออเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติปัญญาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อองั้นเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วต้องไปเริ่มต้นที่สติก่อนเหมือนกับเวลาที่เราศึกษาเรียนหนังสือเราเริ่มต้นที่ที่กอไก่ขอไข่ ก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้นี่เราต้องเริ่มต้นที่กอไก่ก่อนหัดท่องกอไก่ให้ครบกอไก่ขอไข่ว่ามีกี่ตัวออกเสียงอย่างไรแล้วก็มาผสมกันให้มันเป็นเสียงอย่างไรแล้วก็หัดเขียนมันหัดจดจํารูปรูปหาหน้าตาของ ก, ไกอไก่ขอไข่เพื่อที่เราจะต่อไปเราจะได้อ่านออกเขียนได้ต้องเริ่มที่ ก, ไกอไก่ขอไข่ทั้นใดการภาวนาเพื่อทําจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยดวยสมถะภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเริ่มต้นที่สติก่อนต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดทั้งวันทั้งคืนเลยให้ถือว่าความคิดนี้เป็นเหมือนกับเป็นนักโทษอย่าปล่อยให้มันหลุดออกจากกรงไปอย่าปล่อยให้มันหลุดออกจากสติไปกรงของสติก็คือการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้นี้คือกรงของสติถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้ความคิดมัน มันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องจับมันขังไว้ในกรงของพุทโธพุทโธพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มมีการพุทโธพุทโธไปความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้หรือใหม่ๆมันอาจจะโผล่ขึ้นมาได้ก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะช่วงแรกๆนี้พุทโธของเรายังมีกําลังน้อยอยู่ไม่ใช่พอเราพุทโธปั๊บแล้วความคิดมันจะหยุดทันทียังไม่ใช่มันก็ยังคิดแข่งกับเราได้อยู่เราพุทโธไปมันก็ยังคิดถึงขนมนมเนยเยอะได้อยู่คิดถึงที่เที่ยว คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ได้อยู่เพราะว่าเราเผลอไปแล้วเราไม่ได้พุทโธแล้วก็ไม่เป็นไรให้กลับมาหาพุทโธอยู่เรื่อยๆพยายามบริการพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธลุกขึ้นมาจากเตียงไปเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงควานก็ทุบโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวตา่ตางๆถ้าเราทําอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยต่อไปเวลามานั่งสมาธิ นั่งไม่นานห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิได้พอจิตรวมแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติแล้วว่าโอ้มันวิเศษอย่างไรความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรพอมันได้แล้วมันจะติดอกติดใจมันจะไม่กลับไปหาความสุขที่แบบเดิมที่เคยได้จากรูปเสียงกิ่นวดจากลาบยศสารเสริญสุขอีกต่อไปมันอยากจะทุ่มชีวิต ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสร้างความสงบของใจไปเรื่อยๆนี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติเรียกว่าสมถาภาวนาเพื่อทำจิตให้นิ่งให้สงบในขณะที่เข้าสมาธิจิตเข้าสมาธิแล้วจิตก็จะมีอุเบกขามีความสุขเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆความสุขที่ได้จากสมาธิก็ยังติดอยู่มาเหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาแช่ในตู้เย็นน้ำมันก็จะเย็นเวลาเราเอาเอาน้ำออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังจะเย็นอยู่แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นไปสักระยะหนึ่งความเย็นของมันก็จะค่อยๆหายไปฉันใดความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆความเย็นความสงบก็ยังจะมีอยู่ในใจยอยู่ใจยังมีอุเบกขาอยู่ใจยังจะเฉยกับสิ่งต่างๆได้ สัมผัสที่รับรู้กับเรื่องเสียงกลิ่นลดอะไรก็จะเฉยเฉยไม่มีไม่มีตัณหาความอยากอยู่แต่พอทิ้งไปสักระยะหนึ่งพอยอุเบกขาจะค่อยๆจางไปพออุเบกขาเริ่มจางไปแล้วความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาพอสัมผัสรับรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นรืออยากไม่ได้ขึ้นมาทันทีถ้าถึงเวลานั้นแล้วถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสมาธิเราก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อน ใช้สมาธิหยุดความอยากไว้ไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าเราจะสามารถชํานาญเข้าออกทางสมาธิได้แล้วมีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเราก็มาใช้ปัญญาสอนใจว่าตัวที่สร้างความทุกข์ตัวที่สร้างปัญหาให้กับใจก็คือความอยากนี่แหละอย่าไปทําตามความอยากเท่านั้นเองมันอยากให้เราไปเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวมันอยากให้เราไปดูหนังฟังเพลงเราก็อยากไปอยากให้เราไปหาแฟนก็อยากไป ให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ไปให้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาจะสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นตายรักษเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่าเป็นตายรักษณ์มันเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่มาสามารถมันดึงเอาไปได้ พรทุกครั้งที่มันมันดึงเราแล้วก็บอกไปหาความทุกข์ใช่ไหมอยากมีแฟนเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับแฟนใช่ไหมอยากจะมีทรัพย์เดียกกยยดเด๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับทรัพย์อยากจะมียศมีตำแหน่งเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับยศกับตําแหน่งไม่มีอะไรที่ไม่เป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาต่อไปหลังจากที่เราชนานาญมีกําลังทางสมาธิมีสติที่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางปัญญาได้ เมื่อคิดไทางปัญญาได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สอนมันทันทีอย่าไปอยากอย่าไปทําตามความอยากอยากเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเมื่อเราถล่มได้ก็คือไม่อยากเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็จะไม่ทําตามความอยากเมื่อไม่ทําตามความอยากความอยากที่เคยมีอยู่ในใจมันก็จะค่อยๆหมดไปแนะในที่สุดมันก็จะไม่มีอะไรหลงเหลือความอยากก็จะไม่มีตรงเหนืออยู่ในใจต่อไป พอไม่มีความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดเราก็จะรู้แล้วว่าอวุธสิตังบ ร, รมจาริยังกินในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วการรักษาพยาบาลจิตใจให้หายจากความทุกข์ได้สําเร็จแล้วเราไม่ต้องรักษาพยาบาลอีกต่อไปเราไม่ต้องใช้วิปัสสนาเราไม่ต้องใช้สมร t ภาวนาเราเพราะจิตมันไม่มีตัวที่จะมาก่อก่วยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็หลุดพ้นสิ้นสุด การปฏิบัติก็สิ้นสุดลงที meet, mm ่ที่ความตายของความอยากนี่พอความอยากตายแล้วการเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีความแก่ความเจ็บความตายมันทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปทุกย่อมมีย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าถ้าอยากจะไม่มีความทุกข์ก็อย่ามาเกิดถ้ายังมาเกิดอยู่ก็ยังต้องทุกอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดดีแล้ว ไม่ดีก็ตามเกิดสูงหรือเกิดต่ำเกิดรวยหรือเกิดจนก็หนีไม่พ้นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายไปได้ mm hmm. นี่แหละคือธรรมโอสถที่พวกเรามาศึกษา ม, มาเรียนรู้แล้วนําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราให้เอายาธรรมโอษฐเข้าไปในใจของเราด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาสนับสนุนด้วยการรักษาศิ่แปลก mm hmm. แล้วปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับ ถ้าทำอย่างนี้ได้พระเจ้าบอกว่าสามารถที่จะรักษาโรคภยัยโรคใจได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็เดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจปีโรคของความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่มานี้จะหายไปหมดอย่างแน่นอนอนี่ก็คือเรื่องของการเข้าหาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ทางใจนั่นเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวะเรวหาปุราปิริโพเลนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกปติยุทธิตังปัตติตังตุมหังค um ิดเมวะสมิจัตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะรโควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิตสะนิจังวุตฒาปะจายโน จตารโหเมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงตอบไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวที่จะสะดวกถามตอบคำถามเพราะเวลาเลิกแล้วจะไม่สะดวก หมดเสียงมันจะหมดด้วยไม่มีไมช่วยพูดไม่พูดไม่ดังออกเสียงดังไม่ไหวงั้นถ้าอยากจะถามอะไรต้องถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะแสดงตนก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้จะได้จะได้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นไทยถามคาถามอะไรก็ไมผพู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ ผู้ติดตามจากทาง Facebook 328จากทาง youtube พระจารย์สุชาติ371 youtube d r V56 วิทยุออนไลน์13ขับ House 6ผู้รับพูดมานณกุติ186รวมทั้งหมด960ค่ะคําถามจากทางบ้านค่ะข้อ1 เวลานั่งสมาธิมากมากแล้วรู้สึกสงบเบาสบายแต่พอออกจากสมาธิแล้วกลับคิดโน่นนี่นั่นฟุง้งซ่านเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรเพราะไม่เจริญสติต่อไปนั่นเองออกจากสมาธิแล้วก็ต้องต้องพุทโธต่อไปต้องรักษาสติไว้ถ้ามีสติรักษาใจใจก็ยันนิ่งต่อไปได้ถึงแม้จะไม่สงบเหมือนตอนที่นั่งแต่มันก็จะไม่คิดฟุง้งซ่าน เพราะฉะนั <whilst> ้นอย่าเลิกเจริญสติสตินี้ต้องทําทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในขณะนั่งสมาธิหรือขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วต้องเจริญสติไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนข้อสองขอคําแนะนําถึงวิธีลดละเลิกกิเลสสาหรับคารวาสอย่างง่ายๆเพื่อการปฏิบัติประจําวันก็พยายามที่จะลดสิ่งที่ไม่จําเป็นของฟุ้งเฟยต่างๆก็อย่า ให้เอาแต่ของที่จำเป็นต่อการดำดำรงชีพยอย่าไปใช้ของหรูหราใช้ของฟุ่มเฟยตา่างคาถามจากาผู้ฝากถามค่ะเวลามาปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงแปลกๆ ก, ก็จะเกิดความกลัวมากสติกระเจิงทุกครั้งเป็นเพราะคนที่กลัวผี เป็นคนที่กลัวผีมากมาตั้งแต่จําความได้ลูกควรวางใจแบบไหนถึงจะหลุดพ้นจากความกลัวผีนี้ได้หรือคะก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้รอยกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจให้อยู่กับพุทโธอย่าไปอยู่กับผีพอเราอยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวผีมันก็จะหายไปถ้าอยากจะใช้วิธีหายอย่างหายขาดก็ถามว่าผีมันทําอะไรเราได้ อย่างมากมันก็ฆ่าเราทั้งเองแล้วมันไม่ฆ่าเราเราก็ต้องตายอยู่ดีเรายอมตายถ้าอย่างนั้นมันก็จะหายกลัวจากท่านถัดไปค่ะผมใช้คําบริกรรมพุทธโธในการเจริญสติบางทีคําบริกรรมก็ไปอยู่กับลมหายใจเข้าพุทออกโธมันเป็นของมันเองแล้วก็วนกลับมาแบบรู้สติกับพุทธโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจวนไปวนมาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ หรือผมควรบังคับให้ใช้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งไม่ควรเอามาปนกันใช่ควรจะใช้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าถ้าวนไปวนมาจิตมันจะไม่นิ่งน้มันอยู่นิ่งๆอยู่กับเรื่องเดียวถ้าดูลมก็ดูที่ปลายจมูกถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องดูลมเอาอย่างใดอย่างหนึง่งจะดีกว่า เวลาปฏิบัติแล้วไปนอนเห็นเหมือนดวงวิญญาณมาดึงเราทําอย่างไรดีครับเขาจะมาอีกไหมหรือคิดฝันไปเองก็มันจะอะไรจะเกิดก็ให้ปล่อยมันเกิดไปพิจารณาว่าเป็นตายรักเป็นเป็นอนิจจังของไม่แน่นอนอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปยังไม่มีค่ะ ถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณนาริตาถ้าเราเปิดบทสวดมนต์เพื่อฟังแต่ไม่ได้สวดตามจะได้อ น, นี้ส่งไหมคะถ้ามีสติก็ได้ถ้าสติฟังอยู่ไม่ต้องสวดเองก็ได้อยู่กับการฟังแล้วจิตไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะสงบได้หายทุกข์สร้างได้นูหนูหนูขออนะุญาตสอบถามพระอาจารย์ เกี่ยวกับว่าหนูหนูเจริญสติในระหว่างวันนะคะการระ ล, ลึกพุทโธธรรมสังโฆเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือบ้างแล้วก็นอนหลับสลับกันถ้าเกิดหนูเพียรแล้วก็พอตื่นก็ทําต่อยอังเงี้ยค่ะแล้วหนูคิดว่าเพื่อเป็นการฝึกฝนให้อยู่กับตัวหนูเองหนูคิดถูกไหมคะหรือว่าหนูควรจะทํา ให้มากกว่านี้เราเว้นการนอนไปบ้างทำเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันข้อสำคัญก็คือให้ใช้สติคอยควบคุมใจอย่าให้คิดเลื่อยเปื่อยดูหนังสือทำ ม, มากก็ให้อยู่กับการดูหนังสือนั่งสมาธิก็อยู่กับการนั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้ทําไปทั้งวันเจ้าค่ ะ, ะเหนื่อยก็พักผ่อนนั่งกายก็ต้องพักผ่อนหลับนอนถ้ามันนอนมากเกินไปก็ควรที่จะห้ามไว้ แต่ถ้านอนเท่าที่จําเป็นสี่ห้าชั่วโมงต่อวันนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าไปเก้าชั่วโมงนี้ก็นอนมากเกินไปนะไม่จ้ะแล้วก็อาการอ่านหนังสือธรรมะนี่หนูไม่ค่อยมีสติอันนั้นถูกหรือผิดเจ้าคะก็ต้องอ่านต้องมีสติอยู่กับการอ่านถึงจะรู้เรื่องเลยเจ้าค่ะถ้าอ่านไปคิดไปก็จะไม่รู้ว่ากําลังอ่านอะไรไม่เข้าใจ เราอ่านอ่านอ่านแล้วก็พิจารณาตามที่พระอาจารย์สอนตามที่เราอ่านอย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นคนนี้ขณะที่เราอ่านหนังสืออยู่เจ้าค่ะกขอบคุณเจ้าค่ะหนูหนูอีกข้อหนึงหนูควรจะเ อ, อทานข้าวเว้นมื่อไหมคะก็ถ้าทานน้อยมันก็ดีมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคเวลานั่งสมาธิงดทานข้าวอมันจะไม่ขี้เกียจมันจะไม่ง่วงนอน ถ้ากินถ้ากินอีมลแล้วมันจะขี้เกียจอยากจะนอนไม่อยากจะนั่งสมาธิเจ้าค่ะก <Okay. S 2> ับขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจากทาง y o u t u ด็อเตอร์บีค่ะอยากถามว่าเวลาไปทำบุญแล้วเอาแล้วอาหารข้าวหวานเหลือเราห่อกลับบ้านจะบาปไหมคะถ้าเป็นของแจกก็ไม่บาปแตอถ้าทางเจ้าของเขา เช่นทางวัดก็ให้หลังจากที่พระได้ได้ฉันเสร็จแล้วของที่เหลือจะใครยากไปก็ได้แต่อย่าแย่งกันเท่านั้นเองแย่งกันมันก็เป็นโรภเป็นความโลภแต่ถ้าเอาไปเพราะว่าของทิ้งไว้ก็เสียทิ้งไว้ก็เสียเปล่าก็เอาไปจะเอาไปกินเองก็ได้จะเอาไปให้คนยากคนจนต่อก็ได้แต่อย่าทาด้วยความโลภอย่าทอย่าแย่งกันถ้ามีก็เอาไป ถ้าเขาให้ก็รับไว้แต่โดยปกติแล้วของที่วัดเวลาที่พระท่านท่านได้พิจารณาของท่านเสร็จแล้วของที่ส่งออกมาให้กับญาติโยมนี่ถือว่าเป็นของที่ทางวัดทางวัดอนุญาตให้เอาไปกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องกังวลแต่อย่าไปหยิบของที่ยังไม่ได้ถวายพระชอบวันนี้เหลือเกินขอ ข, ขอชิมหน่อยนะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้บาปคําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์ค่ะ จากคุณท็อปสวดมนต์ทำวัดคนเดียวที่ห้องต้องขึ้นหันทะมะยังไหมครับไม่ต้องหรอสวดไปเลยมีคำถามจากผู้ชายวันนี้คำถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้ครับที่ว่าให้ใช้กรรมฐานเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเลยหรือว่าถ้าดูลมก็ดูลมไปแต่พอเวลาจะเจริญสติประจำวันผมใช้พุโทโธ แต่พอมานั่งสมาธิผมดูลมหายใจอย่างนี้ได้ไหมครับได้เวลานั่งสมาธิเอาอย่างเดียวเวลา เ, เวลาไม่ได้นั่งสมาธิเปลี่ยนได้พุโทโธบ้างดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างก็ได้ครับแ ต, แต่เวลานั่งสมาธิก็ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ า, าพุโทโธพุโทโธยาวยยาเลยใช่ไหมยาวไปเลยแถ้าดูลมก็ดูลมไหมนอกจากว่าดูลมไม่ได้ต้องมาใช้พุทโธก็กลับมาพุทโธแล้วอย่าเปลี่ยนอยู่กับพุทโธไปเรื่อย คำถามต่อไปขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงสภาวะพระอริยบุคคลขั้นที่สองขั้นนี้ท่านปล่อยวางความรักความสเสน่หาต่อร่างกายบุคคลที่เคยหลงคิดว่าเขาคือความสุขพอถึงขั้นนี้ ท่านถึงไม่ไปเสพการไปแต่งงานมีครอบครัวเพราะเห็นถึงความจริงแล้วว่าคือความทุกข์เท่ากับละกามาราคะและปฏิฆาได้ครึ่งหนึ่งขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาสิ่งที่หนูเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะไม่ถูกหรอกท่านละเพียงครึ่งเดียวท่านบางทีก็อยากบางทีก็เบื่อเวลาอยากก็จะไปมีอยากจะไปมีแฟนอยู่กับแฟนเวลาเบื่อก็ก็จะไม่อยาก ขั้นที่สามถึงจะเบื่ออย่างเต็มที่จะไม่อยากมีแฟนไม่อยากจะเสบกลางอีกต่อไปขั้นที่สองนี้บรรดาห้าสิบห้าสิบเบาบางแต่ยังไม่หมดคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณพุทธภูมิกราบน้ำมัสการครับผมเป็นคาวาสตอนนี้ผมเข้าใจทำลึกกว่าปกติเป็นไปได้ไหมที่จะปฏิบัติต่อจนเป็นพระอริย อริยะเจ้าได้ครับโดยที่ไม่ต้องบวชได้ถ้าปฏิบัติถูกต้องได้ตามตามเหตุที่ควรจะปฏิบัติผล ม, มันก็จะต้องตามมาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะทุกขนองเลยก็มีคำถามเอ่อไม่ใช่ทางปฏิบัตินะนะจะเป็นทางศีลนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีใบตำลึงหรือว่าลูกมะม่วงที่ มาทางฝั่งบ้านเราแต่บ้านอื่นปลูกค่ะแล้วเราเก็บกินผิดศีลไหมคะแบบไหนก็ถามเจ้าของไลใครเป็นเจ้าของถ้าคนต้นไม้เป็นอยู่บ้านเขาเขาก็เป็นเจ้าของก็ถามเขาว่าผลไม้มันหล่นเข้ามาในบ้านเรานี่ล้วขอเก็บได้ไหมขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาบอกไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ห้ามห้ามไม่ให้มันตกมาที่บ้านเฉันก็ควรก็น้องตัดกิ่งทิ้งไปอย่าให้กิ่งมันล้าเข้ามาที่บ้านฉัน เพราะมันเป็นเป็นเขตของบ้านฉันคุณลุกนี้ถือว่าเป็นการลุกล้ําพื้นที่ของเราก็พูดกับคุยกันได้ต้องคุยกันก่อนทําความเข้าใจกันก่อนท่านก็บอกไม่เป็นไรล่ะถ้ามันหล่นที่บ้านคุณคุณจะเก็บไปกินอะไรก็ได้หรือถ้าเก่งมันห้อยอยู่ที่ในบ้านคุณคุณจะเด็ดมันมากินก็ได้ก็โอเคแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้เป็นของฉันทั้งหมดถ้าเป็นของคุณคุณก็ต้องเอากลับไปที่บ้านของคุณเลยคุณอย่ามาไปไว้ที่บ้านของฉัน คำถามจากคุณทัวค่ะตั้งใจรักษาสินห้าแต่เจอสัตว์มีผิดเข้าบ้านเช่นพวกตะขาคนในบ้านกลัวกำจัดจะทุบเอาไปทิ้งรู้สึกผิดสินทุกครั้งขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับก็จับเข้าไปปล่อยสิอย่าไปอย่าไปฆ่าเขามีวิธีจับได้ของพวกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าเขาแต่อย่างใดคำถามจากคุณนริตาค่ะ หนูเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วชอบเอากระเป๋าไว้ใต้บอ่อในกระเป๋ามีพระเรานั่งทับจะบาปไหมคะก่อ <c oughs> น, นีิมันไม่บาปหรอกเพี่งแต่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่สมควรนะเยนยควรจะรู้จักที่สูงที่ต่ำพระนี้เราต้องยกอยู่เหนือเสียงเราอยู่ที่สูงกว่าเราไม่ใช่มันนั่งอยู่ใต้ก้นเรา <c oughs> อสอบถามว่านั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิบนเก้าอี้จะได้บุญเท่ากับนั่งพื้นไหมคะเพราะนั่งมากจนเข่าเสื่อมแล้วค่ะก็อยู่ที่ผลว่าสงบแล้วไม่สงบถ้าสงบก็ได้บุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญไม่ว่าจะนั่งอยู่ในท่าไหนก็ตามวันนี้นะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะฝนฟ้าจะมาแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทัน ก็ขอให้ท่านทงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ